อาสัจจายมาลามันตาอนุธานกกรามาราเมลังวันนัตตาโกสัจังอวิจ า, ารามามะลาติฮะต่อไปนี้ขอ เพื่อนาราธมิตผู้สวงหาโมกขธรรมและญาติโยมทุกท่านที่มาจากไปเป็นมาจากสิทนีและผู้ที่อยู่ที่นี้หวังท่านก็พาพาลูกมาบวช มาจากเมืองไทยมาบวชที่นี่วัดบุเมียด้วยกำลังศรัทธาเริ่มใสในพระศาสนาและโอกาสอันเป็นวันสำคัญของศาสนา วันอยู่จำบรรษาตามพระวิญญาณวิิญาณนุญาตที่พระสาวสดาทรงบัญญัติตรัสไอพิกสูเมื่อถึงฤดูกาลมาอยู่ไปจำที่เพื่อจะได้ บำเพ็ญสาธารณกิจเพราะจะสัญจรไปมาถึงจะดูการฝนตกไม่เหมาะสมกับสามณะสารูปแม่แต่พวกก็ไป ตามในวินยัยท่านกล่าวไว้พวกสัตว์มันต้องทำาลังพวกอยู่พื้นดินก็ขุดรูอยู่พวกสัตว์มีปีกบินก็ทำาลังอยู่อาศัยสมณะต้องอยู่ประจำที่เพราะว่าประชาชน เช่นชาวนาต้องทำนาถึงดูดูกันอย่างเหล่านี้เป็นเครื่องอุปมาอุปไมในเมื่อผู้อยู่ประจำที่ต้องมีกติกาที่เราต้องทำอะไรบ้างตามาตาเรื่มใส ของตนของตนกติกานั้นเพื่อได้ทำสัญญาคือกำหนดไว้ผู้ที่อยู่รวมกันต้องตั้งใจประพฤติ ร, รมเกี่ยวกับการศึกษาบ้างเกี่ยวกับการ ปฏิบัติถือทูปดงวงควาดบ้างผู้ที่ถือทูดวงควัด ต, ต้องการปฏิบัติอยู่ในที่สงบภาษาหลักธรรมะที่ตันตรีว่าสั้นตะกาโย กายวิเวกจันตวาโจวาจาวิเวกสนจะสนานาปราศัยในเรื่องธรรมทำมาเรื่องธรรมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตของผู้ปรพิพฤธรรมเพื่อไม่ให้ใจของตนไหลไปสู่ไยต่ต่ำ อุปมาว่าเหมือนน้ำที่ฝนตกจากที่สูงลงไหลไปสู่ที่ต่ำ้าต้องการน้ำเราก็ตำเคลื่อนกันน้ำไว้ฝ่ายผู้ที่จะประพฤติ ท, ทำนั้นต้องกั้นกระแสจิตของตนไม่ไหลไปสู่ควาต่ำ เพราะจริงควายต่ำนั้นเป็นของให้ไม่ยากการเป็นใช้หลักธรรมะหลายๆประการในอัปิปยาคาถาคือคาถาวัตถุที่ควรกล่าวควรปรารอบซึ่งกันและกันฉะนั้นสมเด็จประม า, าสมัายเจ้า กรมมะปริยาวจิริยานะบรโ ร, รธทรงเป็นนักปราชฉลาดแหลมคมคมคายทรงเข้าใจในธรรมะวิัยจึงทรงแต่งพระวินัยไว้เพื่อควบคุมกายวาจา และควบคุมหมู่ให้อยู่เป็นระบบระบบดีงามกันว่าเหมือนกับนายช่างที่จัดดอกไม้จัดเป็นอุบาก็ดีจัดไว้ในเจกันก็ดีนายช่างจะมีชลาดย่อมจัดดอกไม้สระสรวิดอกไม้นานาพันธ์ ปินหอมบ้างไม่หอมบ้างงามบ้างไม่งามบ้างแต่ในช่งชางฉลาดก็สามารถที่จะจัดไว้ในผานั้นดูงามตาฉันใดโคกมาสูในธรรมวินัยต้องอยู่ในกฎของพระวินัยเอกในหนึ่งมูที่อยู่รำกันต้องมีหัวหน้า ผู้ได้อยู่รวมกันต้องคารบหัวหน้าในที่นี้อย่างท่านหมาสุประชัยท่านเป็นหัวหน้าถึงแม่ท่าน่อนพรรษาบางบางรูปก็ตามถึงอย่างนั้นสมมติตัจจะจริงโดยสมมติเขาแต่งตั้งแล้วเราผู้ เป็นผู้ใหญ่แต่ผู้น้อยกว่าในการปกครองเราต้องคารวะคือคารวะนับถือทึงกันเลยกันนั่นเป็นไปเพื่อความเจริญของหมู่อุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันต้องเที่ยวฟังคำสั่งคำสอนของท่านหาที่ไหนได้ลนะ่ะผู้ที่ยอมเสียสละมาอยู่ในศาสนานี้ มันยากเหลือกเกินในทวนกระแสรกระแสของโลกถ้าไม่เตรียมเตรียมเตรียมใจจริงๆทวนกระแสไม่ได้ต้องแพ้เขาอระมาเคยประสบเคยไปอยู่หัดใหญ่ใหม่ๆสมัยนั้นภาษาภาษาสิบสองภาษาเลยนนะผู้ชายก็ว่าอย่างนี้เดียวกัน อย่าละเแค่เอาไปกินเสียเท่านั้นอัตมาจึงตอบตรงไปถูงว่าองค์นี้ไม่ได้กินหรอกจึงอยู่ได้มาจนถึงบัดนี้แหละเพราะฉะนั้นเราควรจะถนอมน้ำใจเพื่อรักษาน้ำใจไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนได้อยู่ในต่างแดนอีก เป็นเกียรติเป็นศักดสีของพระพุทธศาสนาญาติโยมทั้งหลายได้พยายามสร้างวัดต้องลำบากนํำบนต้องอดทนเป็นที่เข้าใจกันว่าในประเทศนี้มันหนาวเมื่อไม่พร้อมมูลอย่างใดเราต้องทำใจไปแยกกายว่า ความอดทนเป็นคุณธรรมันสำคัญอด ท, ทนบนบางบทวัดราชาติวาดจะคุณธรรมโรดมท่านแต่งไว้อย่างขันตีประมังตะโปตีดีขาความอดกลั้นคือความทนทานเป็นตะบะอย่างเป็นตะบะทำอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุ ข, ขังพระนนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง อนุปาวาโดท่านว่าความไม่เก่าไรอนุปค า, าโตความไม่ร้างฝันปาติโมกเขจะสร้างวโรความสำรวมในพระปาติโมกมัตตันยูตาจะพัดตัดสมิงความเป็นผู้รู้จั ก, กระมาณในพัฒตาหารปัตตาหาันเหมือนกันในที่นี้สมบูรณ แต่ถ้าเราขาดธรรมะอาจจะความสมบูรณ์นั่นนะทําใไม่เกิดความไม่พอดีก็ได้เพราะฉะนั้นันจางสอนว่ามัดอัญญุตาจะพัฒตัดสนนิงความเป็นผู้รู้จักระมาณในพัฒตาน mm hmm. เส้นนาสนันปันตันจาเส้นาสนันที่นอนที่นั่งอันสงัด วัดธรรมธาโรที่อยู่สบายจึงว่าเสนาสนะส ป, ปายาเหมาะสมแก่ภิกษุผู้อยู่ประพฤติธรรมแม้ญาติโยมจะมาอาศัยก็มีตึกเป็นที่อาศัยเหมาะแก่กันพื่อการาอาศัยและการประพฤติธรรมกิจกรรมของวัดก็เป็นปกติ ทำเป็นปกติการทําเป็นปกติหลักธรรมะแบบธรรมโมฮาเวสกติธรรมาจารีผู้เแบบการแบบพฤติธรรมนำน ำ, ำ, ำความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันนี้และในสัมปชัญญะพบเบื้องหน้าการแบบพฤติธรรมเราทําเป็นปกติทําบ่อยๆก็จะเข้าใจในหลักธรรมนั่นๆจะนั่น การแสดงเพื่อจะทำามาธิศนาต่อเป็นเครื่องเตือนใจอันตราก็จับข้อทรรนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยยังคาถาวัตถุควรจะกล่าวเพื่อทำความเข้าใจในการฟังธรรมวันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์ของการบำเพ็ญความดีเหมือนเราอยู่ในทางโลกเครื่องอุปกรณ์หลายอย่าง มันมากเหลือติขนานับเราจึงจะอยู่อยู่ดีไปดีเป็นสิีิมงคลแก่ชีวิตทุกที่อยู่รวมกันฉะนั้นในการแบบพติธรรมก็เช่นนั้นอัปิจญาณต้องการน้อยๆถ้าต้องการมากมันไม่ได้ตามสมความปรารถนาเราจะไปเพ่งเร็งบุคคลอื่นบุคคลนี้ก็ไม่ได้ เราต้องทำในใจโดยแยบคายให้ต้องการน้อยๆเป็นคุณธรรมมันสำคัญเราจะใส่เขาเขาก็สบายเขาให้อุปการะแกผู้อุปกเขาก็สบายใจด้วยทั้งสองฝ่ายจึงสบายกันทั้งสองฝ่ายหมายความว่าผู้ให้ก็ประพฤติธทำผู้รับก็ประพฤติธรรม สันตุติกาถายินดีในของมีอยู่แล้วอย่างไรยินดีพอจะอยู่ได้ในสมัยนี้กาพิจารณาโัยเหตุผลวัตถุคือปัจจัยสี่อุดมสมบูรณ์หาที่ไหนไม่ได้หมายความว่าคนเลื่อมใสในพระศาสนาฉะนั้นทันตุติกาถา ว่าจะควรกล่าวยินดีในที่เราไม่อยู่แล้วแต่นั้นอปิดจกักรถาวิเวกอาถาปรลบความวิเวกคือความสงัดเป็นคุณธรรมมันสำคัญเป็นอภิปการเป็นช่องว่างในเมื่อโอกาสที่เราจะทําความดีแต่จะนั้นในการอยู่จำพรรษานี้เราจึงมีกติกาตั้งเป็นธรรมจึง บอกศึกษาเราเรียนหรือถือตูดงขาวัดจะเก็ไร้อหนึ่งซึ่งเป็นเครื่อง ก, กัดเกลียวทให้จิตใจของเราเบาเพื่อทําใจของเราไวเบากายก็เบาที่เรามาเจริญกรรมาฐานบทใ ด, ดบทหนึ่งในกรรมาฐานตั้งสี่สิบอย่างอย่เรานึกถึงพุท ธ, ธานุสติแล้วนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้ หรือทำมานุทธตีเรานึกถึงพระธรรมอย่างเราส่วนบนเอาบุตโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเอาธรรมโอพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเอาสร้างโคพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดขึ้นแต่นะแต่พระองค์จึงทรงบำเพ็ญบารมีเสียสงไขแสนมากับ สุขก็มุธานามุปปาโดความเกิดขึ้นแห่งผู้รูเป็นในให้เกิดความสุขเราท่านทั้งหลายโอกาสอันดีไม่มีโอกาสนั้นใดจะยิ่งไปกว่านี้เราจะควรจะไม่โอกาสนั้นนี้ล่วงไปล่วงเลยไปเสียเปล่า เ, าเราถือโอกาสทําความดีให้ได้ต้องต่อสู้ชีวิตคือการต่อรู้ ตระรูคือยากำลังใจถ้าเรามีกำลังใจดีแล้วแล้วเราทำอะไรก็สำเร็จธรรมะน่ะแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นของธรรมดาดินฟ้าอากาศมันในประเทศหนึ่งก็เป็นประเทศหนึ่งหนาเหนาจัดก็มีติมมมีเครื่องเป็นป้องกันเหนาประมุษน่ะพระพุทธเจ้าจัดสอนให้เราพิจารณาให้มีความอมดทนดังนั้นจึงเรียก ว, ว่า วิเวกาตาอศักากะกัตถาเราไม่คลุกคลีคำว่าคลุกคลีนี้เยไม่ใช่คลุกคลีในทางที่เสียมีโอกาสก็เปิดในไต่ถามสอบสวนที่เราประชุมกันสงสัยอะไรก็ไต่ถามแก้ความกังขาไม่หมดไปจากกิจของตนแต่เรายังแก้ไขไม่ได้เราก็เปิดตำราหมอมีตำราหมามีเจ้าท่านว่าอย่างนั้น มีตำรามีพระไตรปิฎกสีก่สิบห้าเล่มมีโอกาสเราเปิดอ่านการศึกษาเป็นวิชาการสำคัญเป็นทำให้ใจสว่างตาก็สว่างขึ้นมาตาเหมือนดวงเหมือนตราทิตย์โผล่ขึ้นมาเรามีตาดีจะมองเห็นอะไรชัดในสัจธรรมความเป็นจริงแต่เราศึกษาเป็นหน้าที่ที่เราต้องศึกษา วิรวิทยาลำมพากาถาปรารลบความเพียรคือความเพียรถ้าเราหยุดมันยอนมันถอยหลังถ้าเราหยุดได้ถอยหลังต้องเดินหน้าภาษาหลักธรรมะอาระพะทรงปารลปารล บ, บทำอะไร<อ>ต้องเดินหน้าปา ร, รมะเดินไปข้างหน้าอนุคิตนาทุระเราไม่ทอดทิ้งการงานการงานอันใดที่เป็นไปเพื่อความ นังตนในพ้นจากทุกได้แล้วก็พยายามทํากิจกรรมมั น, นั่นให้สาเร็จตามความประสงค์ของตนถ้าเราไม่ตั้งกตีกาความเพียรก็ไม่ปรากฏขึ้นในจิตเพราะงั้นวิริยะดํภากาถามปรารบความเพียรความเพียรนี้เป็นคุณธรรมอันสาคัญอย่างในในใ น, ในชาดกต่างๆอย่างประสูศุ อยงในหลวงทรงแต่งเรื่องประหมหาเชนกตกอยู่กลางหมาสมุดทรงมีความเพียรตัวยันประโพธิสัต์ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตมีมันดาจึงเป็นคู่บารมีเกิดแค่ไหนมันดาต้องตาม เป็นมันดาเป็นพุทามันดาของพระโพธิสัตว์เมื่อกตกอยู่กลางมหาสมุทรจำต้องทําความเพียรครับถอยอนความเพียรไม่ได้จึงตระเตรียมคำว่าตราเตรียมปุพพเจตนาเจตนาในเบื้องต้นว่าเราต้องเรืองเรือสำเภาหรือเรือขยันยนต์ในสมัยนั่นต้องเตรียมพร้อมเครื่องชูชีพ สมัยนี้ก็มีเครื่องชูชีพอาตมาก็นั่งในเครื่องบินเห็นเครื่องชูชีพเขาบอกไงปั๊บเดียวมันช่วยไม่ทันหรอกเออแต่ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าบุคคลมีมีบุญเห็นอ่านหนังสือเป็นด้วยเครื่องบินมันตกที่ไหนแอร์วเตดมันตกอยู่ในกลางดงหนูพอก็เพื่อเอาเอาอีเกอร์ไปไปช่วยมันก็ฟื้นขึ้นมาได้่ะ เพระเรื่องบุญเนี่ยเราต้องสร้างบุญให้ได้โออกาสคือการบําเพ็ญบุญปุญญาณิปรโรกัสมิงปฏิท่าว้นติปานินังบุญทั้งหลายเป็นที่ตึ่งของสัตว์ทั้งหลายเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรื่องบุญแล้วเราจักรวัวบุญไม่ได้เราต้องสู้กับบุญต้องบําเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นในดวงกิจของเราเพราะฉะนั้น พระหมาจะนกแบกไ่ว้ในกลางหมาสมุทรจึงอธิษฐานน่ะก่อนเรือจะอธิษฐานให้คลื่นซัดไปสู่เมืองมิตินะมิติดานาครเพื่อเอายุดประเทศของพระองค์ไงได้เนี่ยแล้วมันดนบันดาลเนี่ยความเพียรไม่ใช่ความเพียรอย่างอย่างเดียวอย่างเดียว เพราะท่านบำเพ็ญความดีหลายภพหลายชาติเชออ่นศีลบารามีบ้างเนกัมมะบารามีบ้างแต่ในที่นี้ท่านขี้ให้เด่นให้เราเห็นว่าวิริยะคือความเพียนนี้เป็นบทบาทอันสำคัญที่ให้สำเร็จความเป็นไปเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นมาถึงโอกาสเปเทวดา ในบาลีบางแห่งท่า น, น, นเนี่ยสัสฆาเนตโตเดวินโอทิปปะจกคุ้มวิโสทายิสรงทิปเปเนตเห็นเหตการอาจของเทาสกะเทวราชหนานั่งยุบไปลปุกขึ้นฟูขึ้นอานัตนแดงความร้อนอาไยบารมีพระโพธิสัตว์ อาจของเท่าส ก, กะเทมาหาโ ร, ารนั่งไม่ได้จึงท่งทิะเนศอีอะไรหนอมาเราอยู่ไม่ได้แล้วมองเห็นพระโพธิสัตว์มหมาจะนตกตกอยู่กลางมหมาสมบุรจึงทรงพิจณาเออท่านแบกไหวไปทำไมจะไม่ถึงฟังแต่พระโพธิกัรยังใจเด็ดเดียวยังไม่ขอพึ่งบารามีอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ขอให้เทวดาลงมาช่วยการที่ข้าพเจ้าได้ใช้ความเพียรพยายามบากบันฝาาพันลุบสักโตอุบสักดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้จึงได้มาสนทนาประสัยกับท่านมีน้ำใจพระโพธิสัตว์เพราะพระองค์จึงทรงบำเพ็ญบารมีมา แล้เวเทวดาจังจิงบาง น, นว่าเคยเป็นมันดาของพระโพธิสัตว์มาทุกอบทุกชาติเไม่ใช่ชาติเดียวเะนั้นนั้นมันดาจึงมีหน้าที่ดูแลอารักขาให้บุตรนั้นพ้นจากอันตรายจึงมาช่วยส่งไปสู่เมืองมิติดานนคร เนื้ับไว้ในสวนในเมืองนั้นเนี่ยมีมีพระตีดาไม่มีพระอรุรสไม่มีไม่มีใครจะครองราชสมบัติจึงเสี่ยงบารมีรเพราั้นโบราณเขาใช้เสี่ยงบารมีเสี่ยงโชคคนเราก็เหมือนกันเราทําความดีแล้วแต่เราตั้งใจว่าความดีนี้จะให้ผลหรือไม่ให้ผลเราต้องเสี่ยงบารมี ว, ว่า บุญนี่จะให้ผลหรือไม่ให้ผลบุญที่ต้องให้ผลจึงเสี่ยงบารามีจึงเป็นเหตุให้คนขับรถไปเกยประบาดของประมาจระนกจึงยกขึ้นเป็นคลองร่ะจะแผ่นดินนี่เรียกว่าบารามีบารามีเราต้องบำเพ็ญบารามีนี่ต้องบำเพ็ญคือบำเพ็ญทานกับบำเพ็ญ บำเพ็ญศีลก็ต้องบำเพ็ญบำเพ็ญเนกกรรมะบารมีของบำเพ็ญเช่นั้นวิริยะลำพากาธากาธาคือปราลบความเพียรอิตมาเคยสนทนาปลาใสข้าพั่านบางพันธ์ที่เขาทาเร็จการศึกษาตจำแบบศึกษามาต่างประเทศกับปัญญาด็อกเตอร์ก็เหมือนกันอยู่ในต่างประเทศลำก์ ลำบากยากเห็นต้องทนถึงกล่าวเขาเลียกทานน้อยชายน้อยต้องอดทนถึงท้องจะแจบเขาต้องอดทนความอดทนเนี่ยเป็นอุบายที่ไงสําเร็จสมความปรารถนาตนประสงค์อะไรความความประสงนัจึงสําเร็จตามตามความปรารถนาเมื่อทําให้สมกับผลแล้ว กึงสำเร็จตามความปรารถนานี่วิริยะลาพาคาถาเมื่อรารับความเพียรแล้วความดีคนเราทุกคนต้องบาเพ็ญความดีความรู้เป็นตรีนั่นแหละความดีเป็นตราเป็นเครื่องหมายความดีเป็นเครื่องหมา ย, า ม, ย, า ม, ายมันย่ง้่อของรถทุกๆอย่างมันมีเื่อความดีในทางศาสนาก็มันบุคคลที่จะดีวิเศษขึ้นมา ต้องมีคุณธรรมในที่นี้ตอนจังกาวถึงว่าศีลกถาศีลคือความเย็นใจศีลแปลว่าตัดก็ได้ศีลแปลว่าเย็นก็ได้แปลว่าตัดก็ได้เพราะฉะนั้นเหมือนภูเขาแท่งทึบ ไม่สามารถลมไม่สามารถจะทำให้ผู้คนหวั่นไหวได้บุคคลที่มีสีกเหมือนกันเพราะสีนั่นนะจึงเป็นเอฏอุบายที่อบรมจิตใจบุคคลให้เป็นสมาธิสี่นับปริภาวิตาสมาธิสี่นับปริภาวิตาสมาธิมะตปราโฮติมาน ส, สังสมีอาจมหาจังโส สมาธิที่ศีลอบรมแล้วมีอานิสงส์มากคือศีลสมาธิเด็ดเดียวเป็นเอากาเอากาจกากิตจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือเดินไวฌานกันว่าฌานถ้าผู้ศึกษาปฏิบัติคาในสัจธรรมคือความเป็นจริงในฌานแล้วกันเดินฌานเย็นวิตกวิจานปิติสุขเอา ก, ากาตา การซีเดินกลับไปกลับมาท่นนะ่ะจนมีความชำนาญเขาเรียกว่าศีทุกอย่างเราทําอะไรเกิดมีความวา่าศีแต่ว่ามีความวาศีเรามีความสามารถมีความเชื่อมั่นในความดีที่เรากระทานั้นท่านเรียกว่าศีความชํานาญองค์แห่งปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิทั้งยิงแต่งตไว้หรือเรียบเรียงไว้ เรียกว่าอวสีอธิฐานอวสิอธิฐานคืออธิฐานเรากำหนดอธิษฐานในบางที่บางแห่งแบเจโตเจโตปรญญายันกำหนดกิจคือความดีที่มารวมคร้บเป็นพลังเป็นพลังขึ้นมาจึงไม่สาเร็จตามความปรารถนาจึงเราอธิษฐานได้ จึงอธิษฐานอวาสีอธิษฐ า, า, านเมื่อเราอธิษฐานในลมนึกนึกเลอวัจจวาสีนึกนึกรวมพลังของธรรมะอะไรบอกพอ่อหนงนึกพิจารณาสมาปัฏิวาสีเข้าไปอยู่ในความความดีนะ่ะพิจารณาปฏิเวกันมามาวาสีพิจารณาตรวจตราพินิพิจารณาไม่เห็นความดี ผู้นั้นเห็นความดีเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มได้ประโยชน์เกลือต้องใช้ประโยชน์ให้ได้ทุทกอย่างความดีนี้ก็เหมือนกันจึงให้เกิดปัญญาแสงสว่างมองเห็นทางจึงให้แก้ไขได้ให้สาเร็จประโยชน์ประโยชน์อันใดที่เราต้องการกาตนาให้สําเร็จประโยชน์อันนั้นก็สําเร็จสม ประโยชน์เคยสาเร็จคือความม่เป็นปุบมองพิจารณาเห็นว่าคิดเล่นมาหมดแล้วก็จะช่วยผู้ใดจิตใจมาควรนึกอ้ไรสำเร็จก็เมือนให้สำเร็จกันนั้นอภินิหารจากนั้นในการอภินิหารของพระโพธิสัตว์ก็ดีคือคนเราจะไม่ควรจะสงสัยเป็นอาจินไต โลกวิสัยวิสัยของโลกเดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟเกิดขึ้นบ้างอะไรหลายหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าเขาตรัสไม่นานแล้วว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินสูบบางทีแบ่งเบงสูบมันคนมันตายเป็นหลายหลายศตวรรษนี้อุปมามันแผ่นดินสูบเหมือนกันกดแดงดำของบุคคลที่เขาทําไว้เพราะฉะนั้นในทางศาสนาตะโลกวิสัย วิสัยของโลกพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าคือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสมอบรมบ่มพระไตยของพระองค์มาเป็นลำดับชาติความดีนั้นเป็นพลังขึ้นมาเป็นพลังในในองค์เองปัญญาจะว่า ใ, ในองค์ของโพธิปักจะทำศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธา มีริยะพลังพลังของความเพียรสติพลังพลังของสติคนเรามีสติดีขึ้นมาทำอะไรก็เห็นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นโลกวิสัยวิสัยพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้า ฌานวิสัยวิสัยของฌานสาวกสาวกามวิสัยวิสัยของสาวกสาวกที่บาเป็นท่านเป็นประโยชน์แล้วอยังครูบาอาจารย์ถ้าเราไปคข้ข้าสมาคมกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะไขความรู้ให้เราเข้าใจจะถ่ายความรู้ให้เราเข้าใจตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะหลักธรรมพระพุทธเจ้าตัดอย่างใดก็เป็นไปอย่างนั้น ไม่มีหนึ่งไม่มีสองไม่ได้หนึ่งไม่ได้สามีแต่เป็นจริงอย่างเดียวใครปฏิบัติได้ผู้นั้นก็สำเร็จตามความปรารถนาให้สำเร็จเป็นรนดับชั้นของธรรมะ้าขั้นต้นอย่างอย่างครรวาดผู้ที่มีความฉลาดรักษาสีหน้าให้ปกติให้บริสุทธิ์เป็นสีรบริสุทธิ์ มีสกายยิทธิติทำลายสกายยนิติเขาได้สังโยชน์คือเป็นเพื่องผูกไว้ตัวทิฏฐิเนี่ยสกายทึกถือทิฏฐิเนี่ยจึงจะข้ามพบไม่ได้ข้ามพบคำโกตระปูญานไม่ได้ต้องตัดสกายยิทิติคือการไปยึดมั่นถือมั่นในรูปอาการของตนในรูปอาการของบุคคลผู้อื่น ก็ไปยึดมั่นถือมั่นถึงเราตัวนบนนะ่ะรูปปาาันานาขันโทโธ่ก็ไปยึดขันแต่ที่ขันหลร่างกายนี้มันไม่รู้อะไรดอกเรารู้เราเราได้อาศัยอยู่เพราะว่าเป็นที่จักวาทเป็นแต่วาทาศเจ็นวัาต์ที่รวมกันข้าวเจ่นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำอากาศธาตุในช่องว่าง เพื่ออากาศนั้นไหลเข้าไหลออกทั่วสราระบางกายออกตามขนขนทั่วสราระบางกายทําให้กายนั้นสบายบางกุบาลท่านพ่ออธิบายว่าลมข้าวลมอมกลมข้าวนั้นเป็นเอหนห่ายังชีวิตทรงชีวิตไม้ทําให้ชีวิตชุมชูชีวิตไม้ท่านว่ายอย่างนั้นเพราะงั้นลมหายใจเนี่ย เป็นคุณาธรรมมันสำคัญเพื่อบำรุงชีวิตอายุได้สบายเราท่านทั้งหลายถ้าเราได้ปฏิบัติในกรรมาฐานเราจะอา่านความเป็นไปของในรูปธรรมของตนเองตามความเป็นจริงเราจะอ่านออกจะอานเข้าใจเหมือนคนเราศึกษาวิชาการต่างๆขาจะอา่าน ตามตำราเข้าใจพวกก็าวางแผนงานไว้แม่วิชาการในทางโลกก็ เ, เช่นกันถึงอาศัยกันในวิชาการต่างๆแม่วิชาการในทางธรรมระสัมมาสัมพุทเจ้าทรงปรารถนาวิชาทุกอย่างอิตโตสัปัญญุจยาอยางทรงปรารถนาทุกอย่างอิจันโตอาสวกยังทรงปรารถนา สิ่งที่แม่นดีมันหมดไปสิ้นไปสิ่งที่เบรดเราห่วงใยมันทําไมของไม่ดีของปฏิกูลท่านพ่อทิ้งไปเลยมาพิจารณาของไม่ดีใช้ข้าไม่ได้แล้วแต่กองขยะที่เขาทิ้งเนี่ยคนมีปัญญาก็สามารถไปแลกเปลี่ยนมาได้เอออย่างมันโต๊ะอะไรนาะฬิกาที่มันเขาไม่ใช้แล้วเขาได้ทิ้งขยะเขาว่าอย่างนั้นอันตรายยังไม่ไปเห็นทีนะม่าจะไปเห็นเนี่ยเอามาใช้ได้ แต่ว่าคีเรตที่พรากราเช้าจน่าจะให้ใหทิ้งท่านพ่อว่าให้ทิ้งไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยแต่เราไปเออไว้ให้คีเรตตามความเป็นจริงว่านี่มันเราเห็นด้วยจึงเป็นความตีเห็นที่ผิดไม่ถูกตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นพระพุริเจ้าจึงทรงประรานความรู้ทุกอย่าง อิทธิมันโตนะจงปรารถนาสาเร็จความความปรารถนาสาเร็จแล้วจึงมีฤทธิ์ขึ้นมาและอะไรมันสาเร็จแล้วมีฤทธิ์ขึ้นมาอิทธิมันตังนมามเบียงข้าไปเจ้านามาการแบบพระพเจ้าผู้มีฤทธิ์แล้ววิชาอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ความอัตจรการของวิชาการในทางศาสนา เจโตปริยานรู้จักจิตของบุคคลอื่นผู้ต้องการอะไรในเมื่อผู้นั้นมาปมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทจะให้ตามความประสงค์แก่บุคคลผู้นั้นได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่าทนเป็นศาสดาเอกแห่งโลกแล้ววิชาต้องการแก้ไขคือความทุกข์ของชาวโลกมุ่งความแก้ไขคือความทุกข์ของชาวโลก เจตโตปริยางกำหนดจิตของบุคคลบูรได้มโนมายด์คือริษัทางจิตกําหนดให้เป็นไปท่านพ่อก็อธิบายเหมือนกันเรารวมพลังของธรรมะแล้วคิดจะช่วยอะไรก็ช่วยบูอื่นได้ไห้สําเร็จได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันแต่เรายัางไม่เข้าใจในธรรมะอาจจะค้านก็ได้แต่ถ้าโยเข้าใจในธรรมะแล้ว เพราะธรรมะมันมีหลายแง่หลายบุมมีถึงแปดหมื่นสี่พันประการมาขันในมงคลรสูตรนะปุเพกัตพุญญตาความเป็นผู้มีบุญกระทํากันแล้วช่วยกันเขาช่วยเราเราช่วยเขาเอาเห็นง่ายๆเราต้องมือไหว้เขาเขายังมือไหว้เราคือการแสดงคือคารวะคือาความความรอบึ่งกันอะรกันนี่เป็นตัวธรรมะตอนในมงคลระสูตรที่เราต้องสวดมงคลกัน เพืให้มัเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราเป็นอยู่ประจาวันเพราะฉะนั้นอเจวนายะบาลานังไม่ครบกับคุณผ่านบัณฑิตนั้นแก่เซวนาผู้ใดครบกับบัณฑิตผู้นั้นก็เป็นบัณฑิตบัณฑิตในทางธรรมบัณฑิตในทางโลกไม่บัณฑิตในทางโลกต้งอาศัยคุณธรรมเหมือนกันคือความกายนเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนไปสู่ความสำเร็จก็ไม่มีความกายนไม่ได้หรอก ฉะนั้นความขายันกังจึงแดง เ, เป็นหลักธรรมอุท่านสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมันคือความขายันไม่หยุดนิ่งทรรมกิจที่ตนประสงค์ว่าทากิจประกอบด้วยความเพียรเพอทองสำเร็จอาระกะสัมทารักษาความขายันนั้นติดต่อกันไปเป็นปัจจัยมันลูกมันลูกโซ่ห่วงเดียวก็สำเร็จไม่ได้ต้องหลายหลายห่วง ต่อกันต่อกันต่อกั น, กนจึงให้สําเร็จเป็นประโยชน์ความดีในทางศาสนานี่ก็เหมือนกันอาบาลกรรมสัมภาเราต้องรักษาไว้ร่างกายเราจึงมีเราจะเป็นบุญเป็นกุศลเราทําความดีความดีนี้ตัวรักษาร่างกายเขาลงมาติดต่อกันไปมีความเชื่อมติดต่อกันไปแก่สามารถแก้ไขในกายจนเรา ธาตุฉันบินลำบากยา่าโยมทานอาหารธาตในกายก็สามารถแก้ให้เป็นถูกตามสเปก ข, ของของธาตุนั้นๆธาดตุนั้นออกให้เป็นทําให้เป็นผมขึ้นมาทําให้เป็นกระดู ข, ขึ้นมาเอ่อทำให้เป็นน้ําไมลไข่ไขข้อขึ้นมาทําให้เป็นน้ํามูกไหลออกมาเอ่อทำให้เป็นหลายๆอย่างในอาการอาการสามสิบสอง ร่างกายเราจรึงอยู่ได้สบายมันก็ต้องแก้ไขเราแก้ไขแบบนายแพทย์เขาเรียนเขาจึงแก้ไขในทางดักธรรมถ้าเราเชื่อมั่นในดักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจรึงแก้ไขตนวเองได้ที่ว่าอัตตาอัตโนนะโถตนเป็นปที่พึ่งของตน่ะทูกเราพึ่งพูนแต่ถ้าเราไม่มีบุญหมดปัญหาเลยแก้ไม่ได้ พ อ, อมีปัญหาก็แก้ปัญหาได้เพราะนั้นเรื่องของเรื่องของบุญพระพุทธเจ้าบุญจึงเป็นที่พึ่งของศัตว์ทั้งหลายดังที่กล่าวนี้อารกักสมามาตารักษาความขายันติดต่อกันไปกัลยาณามิตตาคนเราที่มาอยู่ในที่เด็ดต้องมีเออเมื่อเช้าทำไมทำไมเป็นอายมณ์เออทําอย่างนั้นอ่ะมันนี่เป็นกัญยาณามิตคนจะรู้ไปทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่เรารู้จัก คนปุตตุชนเรารู้อะไรสักสิงสักสิ่งเดียวไปเทียวชานเกิดจะเกิดถุนแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงปรารถนาไว้แล้วถ้าเราดันเดินตามแบอร์เบิร์ติโตภูมิป็นโนโลวัตดุคา ม, มาพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกได้อเราดันเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็พ้นจากทุกด้วยเราดันเดิ น, เ ด, นเดินตามคือปฏิ บ, บัติตาม มุทโโลเกอุปนโนอพระพุทธเจ้าอุบัตินเกิดก้นแล้วในโลกธรรมโมจเโะเดชิโตชทรงแสดงทำแล้วอ่ะนิยานิโกทำนั้นยอมนำผู้ปฏิบัติให้ผนให้ผนจากทุกได้นิยานิโกปณิิพานิโกเพกื่อให้ถึงปณิพานเนะ่ยไม่พบนี้ก็พบหน้าทุกพบเราทำความดีความดีนี่ก็ให้ผล ทุกปบทุกชาติไม่ขาดทุนได้กำไรร้อเปอร์เซ็นเราจะเห็นคือความดีที่ส่งเสริมให้ชีวิตเราเป็นอยู่ดีไปดีมาดีเพราะฉะนั้นการแสดงพระตมรมเทศนาก็เพื่อส่งเสริมเพิ่มศรัทธาของญาติโยมให้มีกำลังใจคนเราขาดกำลังใจนี่ทำอะไรไม่ได้นะอ่อนใจอย่าไปอ่อนใจเราต้องอาศัยคือทาความดีให้ได้ อย่างลักธรรมที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องแ ก, ก, ก้ไขก็ศึกษาไปปฏิบัติไปอาศชายมารามันตามนมีการไม่ต้องบนเป็นบนทินเราต้องพยายามท่องจัดยายนในครั้งพุทธการอาตมาเคยไประสานงานากับปหาคุบารันหลายท่านพอเย็นได้ตกเย็นได้ท่านมสวดมนต์อย่างว่าสวเดเจ็ ตํานานธรรมจากอนัตตรกณสูตรอริเตปิญานสูอย่างจารานียธรรมคือได้ธรรมมาได้รึกซึ่งกันมีอะไรก็เจกิซึ่งกันและกันสาธารณโภคีเจกกันมีเมตตากันซึ่งกันและกันเอาปาริยธรรมทำให้ประชุมพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันช่วยทํากิจมีความเคารพถึงกันและกันอย่างนี้ เรียกว่ามีคุณธรรมตองอาศัยคือการศาสตยายอศยาศชาในมารามันมนมีการไม่ตนไม่ท่องบนเป็นบนทินอนุทานารามาราบ้้นเรือนไม่ปรดกวาดก็บนทินต้องทำกิจอย่างนี้แล้วก็ต้องทำอยู่อย่างนี้แหละเราจะท้อถอยอ่อนใจก็ไม่ได้เอ้ะทำแล้วพรุ่งนี้ก็ทำมีประเรือนก็ทำอีกทำไปเรื่อยเนนะ่จนหมดชีวิตคนเดินมาต่ออีก เอออย่างวัดธรรมาธาโรเนี่ยอมีคนก็ต่อกันไปอีกเนี่ยก็ทําอย่างนี้ออันนี้อาตมาบวชมาหกสิบปีไปอยู่ที่ไหนก็ทําอย่างที่ทําอย่างนี้แหละอก็มีกิจกรรมอย่างไรอย่างวัดอาโศกา ร, รามท่านอุบาโลโรไหมจากคุณเท็บมอรีเออร์ท่านก็อยู่ในตะกี้ก็โดนตลอดคืนเอาโอเคตกลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราศรัทธาเรื่องใส ผู้ใหญ่ชายเราก็ต้องทําถึงปุ้นน้อยแต่เขามีหน้าที่ขอร้องไม่ใหญ่ชาขอร้องให้ช่วยกิจประสาศาสนาจึงดงํารงทรงอยู่มาจนถึงกาลบัตดนี้และ ต, ต่อไปก็อาศัยที่เรามีความเอือกเฟือก็เรามีความเอือกเฟือกเมืน่อเนื้ออตมาแต่ไม่มีความเอือกเฟือกเมืน่อเนื้อในป่าเนื้อในป่าถ้าเราเข้ามามันวิ่งหนีไปแล้ว แต่บางตัวมันเราเข้าหามันฟิตให้เราถึงแก่ความตายก็ได้เพราะงั้นบัณฑิตันแต่งภาษิทธไว้เราเน้อมาพิจารณาให้เกิดปัญญาคือความฉลาดเราจึงเสนาสนาวัตเสนาสนาวัตเวชกูดีเสนาสนาวัดจันตาคารวัดบรรดาวัดวัดเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์ พระกรรมฐ า, านที่ยังที่เราผ่านการศึกษามาได้เห็นกับตาได้ฟังกับหูรู้ด้วยใจของตนโดยอาศัยท่านตกเตือนสั่งสอนด้วยความมีเมตตาเช่นหลวงปูเ่เ้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ควันท่านพอดีสุดพระทุติธรรมลังสีคำพีเมตตาจา์ท่าน สร้างวัดเพื่อจะหลองสองพันห้าร้อปียี่สิบห้าศตวรรษสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยทำกระตบกระตอ ب มุงจากไม่มีอะไร ม, มาเองอย่างนี้เป็นต้นมาเลยข้าวสารก็มาอะไรก็มาเรือมาความท่านมองเห็นแล้วล่ะความดีมันหนีความดีไปไม่ได้เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้น ความดีจ ะ, จะอาโกมาลังมัตรนาโกตะจังความมนทินคือเป็นมนทินของคนไม่ไม่ไม่ทําการงานคนเราคนที่คนไม่มีการงานคือเป็นมนทินอันหนึง่งอวิชาปรมาราเอวิจาปรมามะราความไม่รู้เป็นมนทินอย่างยิ่งเราต้องศึกษาให้รู้ ต้องทำความดีให้รู้ขั้นต้นเราจะเริญสมาธิกาหนดลมหายใจในหลักธรรมทั้นที่สนกั น, จ, นจะเจริญกรรมาฐานจเจริญอนาปานนติหรือพุทธานุตติแล้นึกถึงคุณของเระพุทธเจ้าที่เรากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกถู่ให้มีสติ รักษาจิตให้อยู่กับลมหายใจไม่ต้องบังคับลมทานแสดงไว้อย่างนั้นไม่ต้องบังคับลมปล่อยไปไรู้ลมหายใจทุ้ลมเข้าลมออกจิตมันก็เย็นเลยเกิดคว า, ามปีติคว า, ามเบายจท่นานอธิบายว่ากายวุตา คือความเบากายจิตเราตาคือความเบาจิตมุนุนตาโ อ, อนถวยควรเก่ ก, การงานเราจะทำอะไรก็ได้<ม>ให้สำเร็จตุมต่ำบางไม้นั้นดังอัต